เพราะความเจริญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้คงพูดเรื่องอายุสมะโอสัตย์ในสูตรคือสูตรที่พระเจ้าทรงสแสดงพลานุภาพแผงอิทิบาททั้งสีประการเดี๋ว่าข้อความในประสูตรเนี่ย คือกลับไปย้อนต้นถึงเหตุการณ์ก่อนที่พูะเจ้าจะประกาศธรรมะคือก่อนที่จะทรงแสดงปฐมเทศนาคือใ น, นแง่ของความจริงแล้วเป็นพระสูตรนีเป็นเหตุการณ์ก่อนพระพเจ้านิพนานเปีนสามเดือนได้ลเนี่นยแต่เนื้อหาก็เชื่อมโยงกลับย้อนกลับเข้าไป เบื้อการที่พยามาณซึ่งเคยกราบทูลนราธนาให้พรเจ้านิพพานตอนประทับอยู่ที่ต้นไสรเชืออปานิโคสหลังจากสัสรุแล้วได้เจ็ดสัปดาห์เนี่ยจะเกิดมาท่วงแล้วแกก็กล่าวทบทวนถึงพระพุทรรัตที่พรเจ้ารับสั่งไว้ในคราวนั้น ที่ข้อความตรงนี้เราเอามาเรียงเป็นข้อความง่ายๆว่าศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แก้ปัญหาแต่ว่าภาษาที่รับสั่งคำนั้นมันสะท้อนถึงระบบการศึกษาที่เราเรียกว่าปริยัติสัจธรรมแล้วก็เน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติถึงเรียกว่าปฏิบัติสัจธรรม มันก็ความช่วงแรกเนี่ยรับสั่งว่าภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจากยังเป็นผู้ไม่เทลาดคือข้อความตอนหลังจะเหมือนกันหมดแต่ว่าในช่วงที่สองจะใช้คำว่าภิกษุณีผู้เป็นสาวกของเราช่วงที่สามใช้คำว่าอุบาสกผู้เป็นสาวกของเรา ทุติษสามใช้คำว่าอุบาสิกาผู้เป็นสาวกของเราก็สืว่าพุทธบิษัททั้งสี่นะครับเพื่อในด้านการศาหนึ่งจากยังไม่เป็นผู้เจราดสองได้รับการแนะนำก็ไม่ถึงความเ ก, กล้า ในนี้ปฏิบัตินะไม่ถึงความกล้ากนละ้าเนี่ยแต่เน้นที่ปฏิบัติปฏิบัติจนถึงยังไม่กเกษมจากโยคะโยคะก็คือกิเลส ท, ที่ผูกจิตสัตว์ไว้ก็เรียกว่ากามโยคะโอคะคือกาม ในเกี่ยกิเลสประเภทโลภประเภทราคะนะสองฝ่ายแล้วก็ทิตโขฆโอฆาคือทิฏพระโขฆาโอคะคือภพหมายความมาพวกเพราะว่าตัณหาเพราะว่าทิฏเพราะว่าตัณหาก็คืออาการที่จิตวิ่นรนทยอทยานอยากเพื่อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น แล้วภาวะทิฏฐิก็คือมีความเห็นว่าตนเป็นอย่างนั้นตนเป็นอย่างนี้ตนเป็นอย่างนั้นจึ่งก็เป็นกิเลส ท, ที่ผูกมัดใจคนเห็นว่าตัวภาวะเนี่ยก็คนละได้จริงๆต้องเป็นพระหันหรือวตัวทิฏฐิเนี่ยพระโสดาบันทันละได้ตัตลงมากลายเป็นทิฏฐิสองข้อ รามาอยู่ด้วยกันแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเป็นทิฏฐุขาโอข้าคือนะทิฏฐินะคทิฏฐิตอนนี้ก็เป็นความเห็นผิดทั้งหลายแล้วก็สรุปวงก็เป็นอวิชโวข้าโอข้าคืออวิชชาอาวิชชาก็คือความไม่รู้ ในเริยสัตว์ทั้งสี่ประการไม่รู้แนอดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้ของกฎปฏิยาการคือกฎของปฏิจจสมบัติแต่คําว่าไม่รู้ในที่นี้หมายถึงว่าไม่รู้อันเป็นผลของการปฏิบัตินะเพราะเวลาเวลารู้มันเกิดเนี่ยความไม่รู้พวกนี้มันดับหมดก็แสดงว่าเป็นเป็นผลระดับสูงสุด แต่ว่าเราก็ก็เดินบนเส้นทางนี้กันตามสมควรเพ ร, พระโวคะก็คือทํำยังไงว่าอย่าอยากเป็นมากเกินไปเป็นอะไรก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นให้รู้ว่ามันสมมุติทั้งนั้นแหละที่เป็นเน่ยแล้วโอกาสเนี่ยอย่างในแวดวงของพระเนี่ยเราจะเห็นว่างานของพระเนี่ย งานที่ค่อนข้างไม่ค่อยเสี่ยงมากหนึ่งก็คืองานการศึกษาการปิบัติการเผยแพร่ไม่ค่อยเสี่ยงแต่ว่า ง, งานปกครองเนี่ยที่จริงค่อนข้างเสี่ยงและงานก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงก่อสร้างไปเกี่ยวข้องกับคนกับเงินเยอะปกครองไปเกี่ยวข้องกับคนกับเงินเยอะมันก็ ถ้าเสียหลักแล้วก็ยุ่งเหมือนกันนะดังนันขนาดเดียวกันการศึกษาการปฏิบัติหรือถ้าประฏิบัติไม่ตรงก็เสียงเหมือนกันการเผยแพร่ถ้าเผยผเผยแผ่คลาดเคลื่อนก็เสียงเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราเผยแผ่คลาดเคลื่อนไปจากหลักหรือพิจารณาส่งแสดงมันก็กลายเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้า หรือข้อความที่ไม่เป็นจริงอ้างว่าเรื่องนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้มันก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ไหนแสดงว่าที่ไหนเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วว่าเวลาเรานํามาสื่อสารเนี่ยคือถ้าเราพูดเอาบาลีล้วนๆมามันก็ไม่ได้แล้วนะพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าไม่ใช่ภาษาตัวเองได้สกายะนิรุตติยาถึงใช้ออกมาด้วยภาษาของตนได้ ไม่ใช่จะเอาบาลีมาพูดมันก็จบกันทีนี้วันก่อนเนี่ยก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการศารับสั่งว่ายังไม่เป็นผูสูตรในความการศึกษานี้ไม่แตกฉานระดับหูสูตรผวสูตรนี่มันคืออะไรขึ้นแนวลึกกันแนวกวางนะหมายความว่ารู้ลึกในเรื่องบางเรื่อง แต่ไม่กว้างนวหนึง <Yeah. S 1> น่งก็คือทั้งกว้างทั้งลึกถ้าเทียบแม่น้ำมาก็สองประเภทนะแม่น้ำประเภทหนึ่งเป็นคลองที่แคบแต่ลึกใช้ได้ทุกระดูกการอีกชนิดหนึ่งกว้างด้วยและลึกด้วยแม่น้ำใหญ่แม่น้ำลาวพญาแม่น้าแม่โขงอะไราแม่น้ำใหญ่ใหญ่ย้ไปอยู่ได้ตลอด มอนการสาในแนวภูตรเนี่ยเป็นข้อความที่ส่งอธิบายเหมือนกันทุกแห่งเรียงเปห้าระดับโรคขาดระดับนี้เยอะจนเป็นเรื่องที่ ท, ที่น่ากลัวนะน่ากลัวบางทีเราเราฟังพระพูดเนี่ยอันตมาเท่า เอาอะไรสนะีดีบ้างอะคัดเสร็จบ้างอะไรแต่เราฟังเราฟังวิทยุบ้างงงก็เก่งนะ่นาฟังแต่ว่าเราก็ไม่ีโอกาสเลยไปนั่งฟังอะไรมากๆกันนะคับแล้สรุปว่างานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องระมัดระวังทั้นั้นเลยคือการทําเรื่องใหญ่ๆเรื่องสูงเนี่ย เป็นเรื่องละเมียดละไมเพราะในการพูสูตรเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ทางราษาสัมผัสมาแล้วก็จำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากแล้วแม่นนะแม่นในตัวบทตัวสูตรตัวหลักทั้งหลายคนะือถ้าอะไรเราไม่แม่นอย่าไปพูดพูดเฉพาะที่เราแม่นๆเราทำให้นึกถึงหลวงปู่นะหลวงปู่ที่จังหวัดนคร มีคนไปถามลุงปู่ลุงปู่อายุเก้าสิบกว่าแล้วถามมาลุงปู่พระสูตรอะไรที่เป็นสวดแล้วเป็นอภปมงคลพระสูตรอะไรสวดแล้วเป็นมงคลลวงปู่ท่านแก่แล้วแต่ว่าความคิดทันสมัยมากท่านบอกว่าสูตรที่เราจําไม่ได้นะห้ามสวดเดีนยวอภปมงคล สต่สวดอะไรก็ตามสวดอะไรก็ตามที่ราจได้ในส่ยสวนได้ก็นั้นเป็นมงคล น, นเราไม่เบานะเห็นความคิดก้าวหน้าไม่เบา่าเป็นคำพูดตั้งเท่าไรละสี่สิบกว่าปีแล้วนะนคนยุคเมื่อสี่สิบกว่าปีที่แล้วพูดอย่างทันสมัยอยู่แล้วก็ต้องนำธรรมะเหล่านะั้นมาคิด เวลา น, นีนมาจะพยายามใช้คือไปในที่ไหนถ้าเราไปครั้งแรกเ่ราจะเอาประเด็นของธรรมะกับชีวิตเนี่ยเพราคนส่วนใหญ่ไปแยกธรรมะไว้ที่คนแก่ไปแยกไว้ที่วัดไปแยกไว้ในปัจจัยบิดกไปแยกไว้ในหนังสือธรรมะโดยไม่ดูธรรมะอยู่ที่เราเราคือธรรมะอริยสัจทั้งสีประการอยู่ที่ตัวเราครบนะครับแต่ไม่สมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโรธเนี่ยมันน้อยมากมัด ก, ก็แม้แต่ส่วนศีลสิกขาก็าไปไม่ค่อยรอดแต่สมุทัยเยอะทุกเยอะนะฮะลองสังเกเตอะลองสังเกตว่าในชีวิตเราในทุกกระสมุทัยเนี่ยเยอะมากแต่ว่านิโรธกับมัดมนน้อยวพรานการปฏิบัติมันก็คือการพยายามเพิ่มมัด พอมรคเพิ่มในรถก็เ พ, นนกเพิ่มในขนาะที่มรคเพิ่มในรถเพิ่มเนี่ยสมุทัยลดทุกรถทั้งหมดอยู่ที่จิตดวงเดียวอยู่ที่จิตของมนุษย์ดวงเดียวทิ่พระเจ้าทรงสแสดงว่าทำทั้งวงรวมลงที่จิตดวงเดียวูดไปพูดมาก็อยู่ที่จิตดวงเดียวแต่านั้นเีเองพระวุสูตรเนี่ยถึงจุดหนึ่งต้องเข้าใจ เข้าใจทั้งอัฏฐะแล้วเข้าใจทางพยัญชนะคือภาษาและคนเนื้อหาเราเข้าใจทั้งสองประเด็นเมื่อก่อนเนี้ไปบรรยายพรมที่สนัก ง, งานกรรมการพริสดิกาจะเป็นการไปครั้งแรกนะับพูดเสร็จแล้วท่านก็เอาเรื่องมิยามเรื่องสาธารณสุข สุขภาพสุขภาพมาดูว่ากรอบกรอบวันคว่าสุขภาพที่เขานยามเอาไว้นะี่ที่จริงเนยามดีเนะนิ่ยยามครอบคลุมได้ดีสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ว่าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประเด็นของปัญญาที่จะเป็นหลักเพราะว่าถ้าหากว่า ปัญญามันน้อยเนี่สุขภาพจิตไม่ไดีเพอสุขภาพจิตไม่ไดีสุขภาพกายก็ไม่ไดีแต่ว่าปัญหาใหญ่เนี่ยคนเกิดมาเถียงกับคําว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณที่จริงมันเอามาจากฝรั่งแล้วใช้ยอยู่ในเมืองไทยนานแนละ้วมันก็ไม่แปลกอะไรนะเพิ่มคุณศิลป์คำหนึ่งแตอถ้าเราไปยุมยิ้มกับเรื่องเหล่านี้อย่างจิตใจเนี่ยเราก็พูดมาทั้งนานแล้วจิตกระใจก็คือการเพราะงั้นจิตกับวิญญาณก็คือกัน แสดงว่าจะพูดก็พูดแต่มันเพิ่มกริยาคำหนึ่งไม่ได้แปลกอะไรเพราะคำบางคำเนี่ยมันรุ่นรุ่นอะคำบางคำมันรุ่นรุ่นแล้วก็ใส่ให้มันไพรอะขึ้นเช่นสมมติว่าป่าหมาวันเนี่ยเราจะเน้นวันก็คือป่าป่าก็คือป่า ว่าเวลาเราเรียกเนี่ยเราเรียกกระป่ามาวันก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจมันดูแล้วมันสละสลวยทั้งท่านที่เป็นคำซ้ำคำเพรา ะ, ะเราจะเปิว่าพระพุทธเจ้าประสูตทติสวนลุมพินีวันเนี่ยที่จริงสวนกับวันก็คือกัน เรามีคำเยอะคำเราเนี่ยในภาษาไทยทำไมจะต้องไปตั้งแง่ตั้งมุงไปจิตวิญญาณเสียเวลาเปล่าๆก็ เ, เรียกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยเพราะงั้นลักษณะของปูสูรเดี๋ยมันต้องเข้าใจฮะต้องเข้าใจต้องเข้าถึงนะมะีความรอบรู้ รู้ทั่วรู้แท้แล้วก็รู้ทันพูดง่ายวรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วประการต่อไปก็ไม่ทรงธรรมอันนี้คือการการปฏิบัตินะหมายความว่าพุทธบริษัทต้องทรงธรรมต้องมีธรรมะเป็นหลักใจมีอะไรสักข้อนึงก็มีเถอะแต่ให้มีไม่มีธรรมะอะไรเลยไม่ได้ อย่าน้อยภายในครอบครัวเนี่ยมีความรักกตัญญูต่อพ่อแม่อาจารย์ต้องไม่พูดกตัญญูก็ได้ก็อพูดว่ารักอและรักการแสดงมันจะออกมาเป็นกตัญญูเองต้องเคารพรักเคารพพ่อแม่เหมือนก่อนได้ยินอะไรเขาพระรณรงค์เราฝึกเด็กนะครับเป็นพระพวกพระนุ่มๆทั้งหลายก็จับคุมกันก็ สุดเด็กรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์รักมารดาบิดาครัวอาจารย์แล้วก็รักตนเองครอบจั ก, กรวาลถ้าทาได้ในครอบจั ก, กรวาลในไหองอย่างเนี่จริงๆเรครอบเลยอันนี้คือจับพลักอะไรได้สักข้อจะจับหลักต่างๆให้ได้สักข้อเพราถ้าเราจับหลักอะไรไม่ได้เนี่ยการทรงธรรมมันก็มีไม่ได้ เหมือ น, นเราขาดแคลนในการการทรงธรรมโครดการปฏิบัติคนนั้นมีคุณธรรมมีเมตตามีสัจจะมีกรุณามีขันติมีอะไรแต่ไรเนี่ยคือลักษณะการทรงธรรมดำรงตนอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนะ น้ำพัง ค, คงได้ยินในสิ่งจุดอะไรเนี่ยคงจุดคงจุดพุจุดใ ด, ด, ดมั้ยที่้างวัดเนี่ยเขามีงานอะไรเขาไม่รู้คือเราไปใส่ใจมันก็ไม่ได้ถ้าใส่ใจก็ไม่ต้องทําอะไรเราะนันก็ยั่งแปลกแปล ก, ปล ก, ปลกไปใหม่เข้ามาก็ว่ากันไปเพื่อเพื่อพิสูจน์บทททนขันติกททนได้ในอะไรต่างพิสูจ ผลทรงธรรมก็คือดำรงอยู่ในธรรมยุติด้วยธรรมเป็นธรรมเทียงธรรมเนี่ยยุติด้วยธรรมยุติด้วยสัจจะยุติด้วยขันติ ย, ยุติด้วยหิริยุติด้วยเมตาตาอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรือให้มีธรรมะแล้วก็ปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบนั้นคือการปฏิบัติที่เราถือว่าชอบเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องหน้าที่ เช่นพ่อแม่ลูกปฏิบัติหน้าที่ต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อเนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติชอบตามฐานะตามหน้าที่คนตนเองบานทีที่เรามีตำแหน่งต่างๆหน้าที่ต่างๆ้องทำแล้วก็ทำให้ได้ทำให้ดีทำให้เป็นทำให้ชอบว่าสุจริตปฏิบัติมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัญหาใหญ่อะ เป็นปัหาใหญ่มากพอมาถึงปฏิบัติชอบเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ค่อยชอบคือยุติได้ทำนะฮะรังชอบทำลักษณะการปฏิบัติที่ถือว่าชอบเนี่ยคือกิเลสมันลดขัดเกลาขัดเกลาปฏิบัติขัดเกลาสันเลขะปฏิบัติคือขัดเกลาแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนี่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนบุคคล อ, อ, อ, อ, อ, คอื่น แล้วก็มีพัฒนาการคือก้าวไปข้างหน้าไม่ถอยหลังแล้วไม่ทําตัวเป็นข้าสึกกับใครๆนี่ก็จัดว่าเป็นการฏีบัติชอบแล้วก็ไม่ประพฤติตามธรรมถ้าสาวกไม่ประพฤตรริาาาารรตามธรรมเนี่ยประศาทสดาอย่างไม่นิพานเพราะการประพฤติตามธรรมเนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมมันไป เชื่อมโยงกับเหตุผลที่เราจะใช้ในขณะนั้นๆคือมันต้องนึกถึงสัพบนิสารรมทั้งเจดทันทีเลยแล้วต้องครบเจ็ดนะฮะครบเจ็ดข้อรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักกาลเทศะเทศ ะ, ะท่านไม่มีหรอกแต่ว่าเทศะกับกาลเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเวลากับสถานที่เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วกลุ่มคนบุคคล เรียกปฏิบัตธิธรรมสูงควรแก่ธรรมทาให้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมแล้วเนี่ยศา ส, สดาก็ต้องอยู่เพื่อสอนลูกศิษย์ให้ประพฤติตามธรรมไม่ได้แต่ศาสดาก็ไม่ใช่โดนบันดาลนะือหมายความว่าศาสดาเองก็สอนชี้บอกส่วนลูกศรริษย์จะเดินจะเดินไปตามธรรมหรือไม่เนี่ย ส่วนลูกศิษย์จะเดินไปตามธรรมหรือไม่มันก็อยู่ที่ตัวของศิษย์ของสาวกเองเนะครแล้วข้อต่อไปบอกไม่เรียนอาจริยวะอาจริยวะคือวัฏคําหลังสอนของอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยก็ อ, อาจจะปรากฏในรูปแบบอะไรก็ไม่รู้ล่ะตัวเวล น, นี้มันก็ปรากฏมาในเรื่องต่างๆเอกสารสื่อต่างๆคือการสอนจากอาจารย์ ตรงนี้มันเพ่าหมดเลยนะเวลานี้คือถ้าเรามาวิเคราะห์ตรงเนี้ว่าเจตนารมของพระพุทธเจ้าในการพัฒนาบุคลากรของพุทธเนี่ยไม่เป็นศาสนิกคุณภาพถ้าเรามาแต่ละข้อมาจับมาจับมาจับก็จะเห็นว่าโอ้มันเป็นปัญหาเป็นปัญหาภูเขาเลยนะเป็นปัญหาใหญ่มากๆคือเราคิดฝันยังไงอะ คิดฝันยังไงว่าให้คนคนในบ้านในเมืองเราเนี่ยก็ตแต่เด็กตั้งแต่เยาวชนไปเคยคิดเวลเาไปคุยกับเด็กเนี่ยคุยกับเด็กถ้าอายุเธอเธ อ, เธอไม่มากเนี่ยเราบอกเราก็ขอขอสามอย่างทําได้ไห้สามอย่างเอาสามอย่างพอเรียนดีประพฤติดีอย่าดือ้อสอนไปจนถึงปหกอะนะเรียนดีประพฤติดีอย่าดือ้อ แล้วก็อาจจะตอบยปถึงโน้นนะฮะถึงถึงหมอสามแล้วต่อไปเราก็ไปพูดถึงซื่อสัตว์กตัญญูรู้หนะ้าที่ต่อกันนะฮะเรียนดีประพฤติดีไม่ดื้อซื่อสัตว์กตัญญูรู้หน้าที่หรือถ้าถ้าถ้าไปได้ขนาดนี้แล้วก็เราก็พัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพ นะเป็นคนดีรักญาติสัตว์กับสัตร์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปเป็นการสะ้อนไปจากเรียนดีประพฤติ ด, ดีไม่เดือสื่อสตัตว์กัญญูรู้หน้าที่ซึ่งก็หมายความว่าคนจะต้องศึกษาเรียนรู้นะวัฒะของอาจารย์แต่อาจารย์เวียนี้ก็ต้องดูเหมือนกันนะ วันก่อนเนี่ยมีคนเข้ามาเป็นอาจารย์ที่ r อร r e t ท r e เขามานั่งคุยอ่ะเขามาถวายแล้วก็ก็นั่งคุยกับเขาเองก็นั่งคุยกันแต่เราก็นั่งฟังอยู่ก็เออมันไปเล่าถึงอาณาจักรของการศึกษาโรงเรียนแต่ละแห่งพฤติกรรมของคนเนี่ยอะไรมันน่ากลัวนะฮะคือยังนึกว่ามันน่าจะมีการยกเครื่อง เราจะมีการยกเครื่องสัมน า, าอะไรกันพอสมควรวันเพราะให้เรียนจากอาจารย์ของตนแล้วก็สามารถในการในการเผยแผร่หมายความว่ามีการศึกษามีการปฏิบัติแล้วตัวเองต้องรับผลคือผลเนี่ยไม่ไม่ต้องพูดผลมันเป็นเป้าเราจะเห็นว่า เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสอนเรื่อ ส, สมาธิปัญญาพอเ้าปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญามั น, มนก็บรรลุผลเองบ้ามันเกิดขึ้นเองทำนอนทำนอนแค่ๆ ก, ก, ก็บ่อย ก, ก็กินข้าวเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเขาจะอิ่มหรือจะอร่อยแล้วไม่ต้องบอกกินเองเดี๋ยวจะอิ่มเองดังนั้นเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าตอนเราเรียงเป็นพระสัธทธรรมเราเรียงปริยัติปฏิบัติ ป, ต ป, ตปฏิเวทแต่พอมาดูที่ตรงนี้ไม่มีคําว่าปฏิเวท เพราะว่าปฏิเวทมันเกิดแล้วเกิดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการกระเกียจากโยคะกระเสียนจากโยคะนั้นเป็นผลจากการปฏิบัติแล้วก็เป็นนิโรธนะทีจริงตัวเนี้ยตัวเนี้ยคือคือนิโรธเราลงว่าก็อยู่ในโครงสร้างะอยู่ในโครงสร้างทีนี้พอพอมาเผยแผ่เนี่ยคุณสมบัติของนักเผยแผ่ บอกว่าบอกแสดงบัญญัติบัญญัติแต่หมายความว่าเรื่องมันยังไม่มีหรอกแต่เราเนื้อหาสาระต่างๆที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนานี่มาบัญญัติขึ้นตั้งเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นส้างเป็นอคยาณะเด็ ก, กท่องอ่ที่จริงมันมันคล้ายๆกัแหลคล้ายๆกับโครงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ห้าเนี่ย ความรู้คู่เปรียบด้วยกำลังกายเคยสุดจริตคือเกราะบังศาสพองปัญญาปลุกดังอาวุธคุมจติตต่างโล่ป้องหาจแก้วกลางสมอนนั่นคือมีลักษณะเป็นวิธีการแสดงเป็นวิธีการบอกแล้วก็บญญัาิขึ้นมาเป็นรูปโครงแต่วาทั้งหมดอ่ะเป็นธรรมะทั้งหมดเลยเป็นธรรมะทงางศาสนาทั้งหมดจนถึงก็แต่งตั้ง แต่งตั้งคล้ายๆกับจัดเป็นรูปอะไรองค์กรต่างๆเช่นเนี้ยเช่นๆจะเป็นองค์การองค์กรบริหารคณะสง์ซึ่งเวลาท่านออกกฎเกณฑ์อะไรเนี่ยท่านต้องนึกถึงที่ไหนต้องนึกถึงพระธรรมต้องนึกถึงกฎหมายตัวพระราชบัญญัตินึกถึงรัฐธรรมนูญนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยเราพระ ร, รมเองต้องพระต้องให้ความต้องการแก่พระธรรมวินัย แต่แน่นอนว่าเราเป็นราศดรเนี่ยมันต้องยุติโดยรัฐมนูลด้ว ย, ดดวยต้องยุยญญติด้วยราชบัญญัติด้วยแต่ในขณะเดียวกันตรงนั้นแหละตัวรัฐรมนูญก็ดีตัวราชบัญญัติก็ดีเนี่ยมันก็ต้องยุติโดยธรรมะหรือถ้าม่ยุติโดยธรรมะมันก็ชาติบังคับไม่ได้ถึงกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมไม่เที่ยงธรรมแล้วก็ เปิดเผยหมายความว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งเพราะว่าธรรมะในศาสนาเนี่ยเป็นการแสดงเป็นการแสดงคือชี้อบอกก็คือเปิดเผยอย่างที่มีการสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าว่าพระุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเหมือนหนายของที่คว่าเปิดของที่ปิดบบาทางแก่คนหลงทางสองประทีปในที่มืด เพื่อให้คนที่มีดวงตาคือตาไม่บอดได้เห็นแสงสวรร่างวันต า, ากว่าตาในบอดฮะตาใจมันบอดเนี่ยผู้ยากดังนั้นตรงนี้เราจึงเห็นว่าแล้วมีประเด็นหนึ่งที่ทรงใชก้กรรมการทำให้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าบางทีในทรงแสดงแสดงมันก็ยา ก, กนะ อย่างยกตัวอย่างว่าเช่นอริยสัจอริยสัจถ้าเราแสดงเต็มยศเนี่ยมันจะยากแต่เราก็เชี้ยเห็นว่าในความเป็นอริยสัจเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตเราจะคิดในแนวที่จะไปแก้ปัญหาระดับโลกก็ได้นะระดับชาติก็ได้ระดับตัวเองก็ได้หน่วยย่อยที่สุดเป็นโมเดลเล็กๆขยายไปอัตราส่วนอะไรก็ได้ เียวอยู่ในโครงสร้างของอริยสัจนะมันก็ตั้งประเด็นขึ้นว่าคือ1คือปัญหา2องคือสาเหตุของปัญหาสาก็คือการหมดปัญหาหรือการไม่มีปัญหาแล้วก็สี่ก็คือหลักการวิธีการนะตลอดถึงปฏิบัติการเพื่อทำลายสาเหตุของปัญหาที่จริงเป็นเป็นอริยสัจ แต่ว่าเราก็ไม่พูดปริยสัตว์เพราะการกินข้าวเนี่ยกินข้าวกินยาอาบน้ำเนี่ยอ่านหนังสือเปิดสวิตไฟเนี่ยที่จริงไม่เป็นกระบวนการอายสัตว์แล้วให้ลองสังเกตว่าจะมีอยู่สี่ตลอดเช่นสมมติว่าเรากินข้าวเนี่ยมันเกิดจากความหิวเพราะหิวก็เหมือนกับทุกสัตว์แล้ก็มีเหตุให้หิวก็กลายเป็นสมุทรกายสัตว์เราต้องการในต้องการความอิ่ม ซึ่ก็คือนิโรธทศัตว์เป็นโครงสร้างของนิโรธทศศัพท์นะการกินอาหารการรับประทานอาหารเนี่ยเป็นมรรคสัจกินยาอะไรก็ได้ป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยก็เราคิดได้ว่าเออมันก็มีสี่อย่างแล้วในสี่อย่างนั้นน่ยจะแต่ละฝ่ายเนี่ยเขาเป็นคู่กันทุกกระสุนไทยก็คู่กันนิโรธกับมรรคก็คู่กัน ถ้าปริมาณของนิโรธเพิ่มไม่ใช่ปริมาณของมรรคเพิ่มเนี่ยตอนนิโรธเพิ่มหรือว่านิโรธเพิ่มเนี่ยแสดงมรรคเพิ่มซึ่งก็หมายความว่าทุกลดเพราะนิโรธเพิ่มสมุทัยลดเพราะมรรคเพิ่มถึงจุดหนึ่งถ้านิโรธผสมบูรณ์เนี่ยไอทุกผสมมุดไอทุกผสมมุทัยก็ดับไปอย่างสมบูรณ์มันก็เห็นได้ว่ามันก็เหมือนกับการกินข้าวเหมือนการอ่านหนังสือเหมือนอะไรเนี่ยวิธีชีวิตเราก็เป็นกระบวนการ ร, รยายละเอียด แต่เราก็ละเลยปัญหาเหล่านี้ไปเองไม่ได้นำเอาอริยสัจมาใช้ไม่นำเอาอริยสัจมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวั น, น, นถึงถ้าหากว่าเรานำมาใช้ได้แต่ในเรื่องเนี่ยเราจะมองว่าเอออะไรเป็นเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทยัยอะไรเป็นปัญหา <c oughs> คือบางครั้งบา ง, บางครั้งมะคราวเนี่ยบางครั้งมาคราวเรากระจายไปเยอะไป โดยไม่มองว่าที่จริงมันเป็นกระบวนการอย่างสมมุติว่าปัญหาทั้งหลายในโลกเนี่ยถ้าเรามองให้ดีนะฮะมองให้ดีมองสาวไปเรื่อยๆเราจะพบกิเลส ท, ทุกทุกแห่งนะทุกส่วนของปัญหาทั้งหลายในโลกแล้วก็ผลดีงามทั้งหลายในโลกเนี่ยถ้าเราสาวไปให้ลึกสุดๆเนี่ยจะเจอไปเจอมั้ยจะเจอมั้ย เพราะฉะันการในการแก้ปัญหาทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในอริยมรรคเนี่แหละไม่ว่าจะสอนโดยาศาสนาอะไรก็ตามโดยเนื้อหานะจะตรงกันโดยเนื้อหาโดยภาษาก็ไม่ตรงกันหรอกก็ต่างคนต่างก็พูดทีนี้ประการต่อไปเนี่ยก็คือมีความสามารถในการแสดงธรรมที่มีปาฏิหาร ปาฏิหารนั้นก็คือเป็นการนำมาซึ่งผลสำลิปนะฮะมันก็มีวิธีการหลายๆวิธีแต่ปาฏิหารก็มีสามนะฮะมีามปาฏิหารก็คืออิทธิปาฏิหารการแสดงฤทธิ์ได้อย่างอัศจรรย์อเทศนาปาฏิหารเนี้ยรู้ใจถ่ายใจโขนได้อย่างอัศจรรย์ แล้วการอนุสาสนีปฏิหารคือการยักย้ายเปลี่ยนแปลงาศาสนธรรมที่จะสื่อสารให้คนเกิดความเข้าใจได้อย่างอัศจรรย์นั้นก็เป็นปฏิหารและที่สำคัญอย่างยิ่งก็รประรพวาทเนี่ยรประรวาทหมายความว่าคันกล่าวช่วงจ่าบิบดเบือนใส่ใครและศาสนาตลอดถึงาศาสนภัยทั้งปวง อันนี้ต้องจับประเด็นให้ได้นะฮะว่าศาสนาภัยต้งพูดคื อ, อบางทีเนี่ยเรายึดติดมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้มองข้อเท็จจริงนะเช่นสมมติว่าเราพูดว่าไม่มีใครทำอันตรายพระพุทธศาสนาได้ดนอกจากพุทธศาสนาที่สมันพูดได้ฮนะแต่เราจะต้องมองว่าจริงๆพระพุทธเจ้ารับสั่งเฉพาะตัวพระสัตวรรม รับสั่งเฉพาะตัวพระสัทธรรมนะครับสั่งเฉพาะตัวธรรมะเรีวร่าการทำลายศาสนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ตมันเกิดขึ้นจากกองทัพมันเกิดขึ้นจากรัฐที่การเมืองมันเกิดขึ้นจากศาสนาอื่นใช้วิธีฆ่าทำลายอันนี้คือตัวอย่างข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงจริงๆมันไม่ได้หมายชิงเฉพาะว่าชาวพุทธจะต้องทาลายเอง นในกรณีนี้สมมุติว่าเขายกกองทัพมาทำลายถ้าชาวพุทธต่อสู้มันก็คือตายด้วยกันาตายด้วยกัน ก, ก็เปลี่ยนกันตายก็ใครตายเท่ไห่ไม่รู้แต่ว่าวิธีการของพุทธเราไม่ได้ใช้วิธีนั้นซึ่งก็ในแง่ของความมั่นคงแล้วก็แล้วก็ไม่ดีเพราะว่าเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์เกินไป มันจะต้องมีคนกลุ่มหนึ่งอะที่ที่ไปปกป้องพระาศาสนารูปแบบพิธีการต่างๆที่รติศรทำที่ประเทศลังกาเนี่ยถือเป็นรูปแบบที่ดีดหมายความมันแยกแยกความเป็นพระออกจากความเป็นทหารตัวเองเป็นพระอยู่ก็ศึกไปเป็นทหารปกป้องบ้านเมืองก่อนบ้านเมืองสงบเรียบร้อยราชาอยู่เย็นเป็นสุขแล้วตัวเองก็มาบวชต่อไป แล้ในภารกิจตวเนี้คือการมารับประวัติอย่าไปคิดว่าเขากล่าวจุ่งจาแย่งเดียวเพราะในประวัติศาสตร์เห็นว่ า, าศาสนาภัยมาทุกรูปแบบแโดยเฉพาะอย่างนี้อย่างเวลานี้มันมาด้วยกระแสของโลกาภิวัตน์เป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของสื่อสารตะกบนะผมมาแรงแล้วก็แก้ยากมาก จนบางเรื่องเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยอย่างในกรณีของเด็กที่ฟังเสียงมากเกินไปหรือบาทเด็งพระเจ้าอยู่รับสั่งเนี่ยก็ได้ลืมนะที่จริงตาก็ใช้มากเกินไปนดูเกมกดดูโทรฐฐทัศน์นั่งกลชิดจออยู่กับแสงสว่างอะไรล่ะไอ้คอมพิวเตอร์อินเทอร์นเรน็ตเกมทั้งหลายเนี่ยมันใช้สายตามากขนาดนั้น แต่ตลอดถึงวิธีการหลอกลวงต่างๆมันก็ดึงศาสนิกออกจากศาสนาธานได้ก็เรื่องบางเรื่องนี่มันต้องมองแล้วก็คือดูพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบว่าคนอันตรายที่เกิดขึ้นสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าทรงนำทำเป็นแบบอย่าง ประหารทั้งหลายทรงนำทำเป็นแบบอย่างมันมีเยอะไปที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวศาสนธรรมนะเช่นว่าคนมาจับเอาลูกของโยมุปถากพระโมคคัลลานะไม่เรียกฆ่าไทยพระโมคคัลลานะก็ไปเอาคืนมานั่นเราเห็นว่า อ, าอันตรายมันไม่ได้มาด้วยเรื่องของสาสนธรรมทีนี้บางครั้งบางคราวเนี่ย พวกก่อกวนทั้งหลายเนะี่ยเช่นพวกได้เดถีมาก่อกวนต้องการสร้างวัดชิดไปเชตตะวันเพื่อมาก่อกวนพร ะ, ะพุทธเจ้าพระเจ้าเสด็จไปทรงประกาศสิทธิ์กับพระเจ้าปเสนิโกศลบอกพวกอัญญะเตถีจะมาสร้างวัดในที่นี้ไม่ได้มาว่าเฮ้ยต้องให้ไปออกออกไปมารบ ก, กวนภิกษุพระ เ, เจ้าปเสนีโกศลม่ยอมนะเพราะถ้าเราดูต้นแบบระเนี้ยนะ ดูต้นแบบแบบนี้ว่าคําว่าปารับประวาทนั้นหมายถึงสารพัดอันตรายที่เกิดขึ้นแก่ศาสนาพุทธบริษัทต้องมีศักยภาพในการแก้ไขอันตรายเหล่านั้นไม่รู้จะมาอะไรหรอกแล้วก็ต้องถือว่าเป็นภารกิจเป็นภารกิจที่เราจะต้องรับผิดชอบตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นภาระ เป็นภาระตามตามใบประกาศแต่งตั้งสมณศักดิ์ขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระเป็นภาระในการสั่งสอนฟังสอนนยกตัวอย่างยกตัวอย่างเราเห็นว่ามันก็หมุนกลับอันตรนี้ได้ก็คือให้การศึกษาให้การประพฤติปฏิบัติแล้วก็พัฒนาให้มีศักยภาพในการเผยแผ่ การดูแลรักษาระศาสนาขอพระคุณปรดัธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอัธิกรมนุเครอบพระภิกษุสามเณรในพระอารามโดยควร น, นี่เป็นคำรัตนาที่มีพระบรมมิตัทยอยู่นะฮะแล้วก็มีรตราทั้งสามดวงนะฮะทับอยู่ที่ตราที่นั่นถ้าเรามาทบทวนตัวนี้ทีทีทแวแวะตรงนี้มากเนี่ย เคยนึกดูรากเงาของพระพุทธศาสนาว่าพระยาทรงมีเจตนารมย์ยังไงในการประดิษฐ์ฐานพระพุทธศาสนาและการสืบสารนี่คือสืบยังไงเพื่อพระศาสนารับรู้เพราะมันต้องพัฒนาคนระดย ก, การศึกษาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แสดงออกทางกายทางวาจาทางใจอาการที่คนอื่นเห็นนะ่นคือกายกับวาจาใจไม่เห็นหรอกนะแต่มันสะท้อนกลับไปสู่ใจว่าใจตั้งสงบเมื่อกายสงบใจสงบแต่ว่าธรรมบคนทั่วไปไม่ใช่ข้อยุตนะิเพราะเราลืมว่าอาการที่สงบไปเป็นมารยาก็ได้เป็นเสียแซงก็ได้เป็นโอ้อวดก็ได้ อย่างใ น, นที่บางแหงจัดแถวถ่ายรูปแอคชั่นถ่ายรูปก็เป็นเส้นบรรทัดตรงแน่วเลยมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์นั่งอย่างนั้นไม่ได้นี่มนุษย์ที่ไหนเขานั่งอย่างนั้นแม้แต่ทหารนะทหารเจาเห็นว่ายืนแถวอยู่ได้ระยะสั้นๆท่านหนึงยืนนานอย่างนั้นไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นการจัดฉากแล้วเราก็ติดฉากไปฉากแล้วก็ไปคิดตัวเคร่งไปคิดตัวนี้คือเคร่งมาก ไม่เป็นฉากเฉยเป็นการจัดฉากกันมาเฉยเพราะฉะอวิธีพุทธเนี่ยมันต้องมองทะลุ ม, ม่านมายาที่ปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้แล้วก็วินิจฉัยมองได้ไกลๆมองได้ไกลๆอย่างเวลาเนี่ยเราจะเห็นได้ได้อย่างหนึ่งว่าที่ชัดเจนเนี่ยคือว่าในช่วงยาวเนี่ยจํานวนประชากรของไทยเนี่ยการเพิ่มจะเพิ่มระยะช้ามาก เพราะการวางแผนครอบครัวการคุมกําเนิดคนเป็นส่วนมากไม่แต่งงานแตะอะเรต่างๆคนคนไทยเลือดไทยเลือกพุทธเนี่ยจะลดลงไปโดยกำเนิดมันจะลดลงไปและโดยการถูกดึงดูดจะศาสนาอื่นอีกจากลัทธิต่างๆอะไรต่างๆอีกแล้ววาสัณฐาบางศาสนาจะเพิ่มกระชั้นทีมากเพรา ะ, ะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจำนวนศาสนกจะใกล้เขียงกันจะ ก, ก้ากล่มกันและจะแสง จึงก็หมายความว่าเหตุการณ์เหล่านี้ถ้าเรามองในแง่ของสังคมยจะถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันไม่นานนะเรียกเห็นหน้าอินหลังเลยนั่นคือสิ่งที่เราต้องมองไปข้างหน้าประการสืบสารพระศาสนานี่จะสืบสารยังไงจะเป็นจะต้องกระจายตัวเองออกไปในส่วนอื่นของโลกด้วยนะเพราะว่าไม่ควรจะอยู่ในจุดเดียว ในที่ใดที่หนึ่งเพียงเพียงจุดเดียวแล้วควรขยายไปในจุดอื่นแต่ในขณะเดียวกันในประเทศเราเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ได้ด้วยวันการแก้ไขาศาสนภัยที่เกิดขึ้นรับสั่งตรงนี้ว่าแสดงธรรมมีปาฏิหารย่ำยีด้วยดีซึ่งประรับปรว่าที่เกิดขึ้นแล้วโดยชอบธรรมไม่ได้เพียงใดถ้าพุทธบริษัทยังไม่สามารถทางานระดับนี้ได้พระองค์ไม่ได้ผ่าน แต่ตอนพระเจ้านิพพานเนี่ยมีคนมีศักยภาพนะครบบททั้งสี่จุดเลยศึกษาก็เยอะแพร่หลายมากเป็นคณาจารย์ในแต่ละสายแต่ละสายปฏิบัติเก็เรียบร้อยมีพระยาบุคคลทุกระดับแล้วก็เผยแผ่ก็มีศักยภาพสูงในการเผยแผ่แยกย้ายกันจัดกระจายกันไปทำงานแต่ปัญหาต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าปัญหาเล็กๆและน้อยเนี่ยท่านไม่ปล่อยให้ผ่าน แต่ไม่ปล่อยให้ผ่านเขาเรียกว่าปัญหาเกิดเนี่ยเกิดปับแก้ปุ๊บหรือทั้งไปปัญหาจะไม่ลุกลามปัญหาจะไม่ลุกลามจะไม่กระจายตัวเองแรงคือท่าที่กระจายเนี่ยคือปัญหาจากพระเทวทัตเนี่ยค่อนข้างกระจายเพราะไรเพราะว่าพระเจ้าส่งอนุเคราะห์ว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพระเทวทัตเนี่ยเรียกว่า ตกนรกชั่วกับชั่วกัน ไ, ไรเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะให้ท่านเกิดจิตสํานึกอยู่ถึงจุดหนึ่งที่ถวายกระดูกคางได้อยากถวายกระดูกคางตัวเนี้ยทาให้ท่านอยู่อเวจีไม่นานแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็จะได้เป็นพระปฏิเจกพุติยาสุมนามาติสระเป็นนาคตังสยานที่มองไปลิฟโลกตัวตนี้จึงกลายเป็นอะไรละ่ะ เป็นหลักการสืบสารประดิษฐสถานนะฮะประดิษฐสถานดํารงสืบสารพระพุทธศาสนาเป็นเส้นทางแห่งพระพุทธปณิฐานที่พระเจ้าทรงดําเนินงานบนเส้นทางสายนี้ตลอดในเบรนี้เราไปให้ความสำคัญแก่ตําแหน่งฝ่ายปกครองนะฮะกับตําแหน่งนักก่อสร้างกับพระผุกปลูกเสกเครื่องรางของทังทั้งหลายเนี่ยการสาการบัดการเผยแผ่เนี่ย เป็นเรื่องของมีประชาช น, นไฟอย่างน่าเสียดายซึ่งก็มองไปข้างหน้าก็ชักจะเห็นห่วงเหมือนกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงต่อจากนั้นจะเป็นยังไงถึ่งเป็นคําถามที่แต่ละยุคแต่ละสมัยต้องช่วยกันตอบทั้งฟังทั้งไล่ซึ่งทําจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมยังมีแด่ท่านผูกฟังทั้งหลายดยทั่วกันสวัสดี